เรื่องธรรมะก็เป็นเรื่องของจิตจิตของเราเองจิตของตัวเองไม่ใช่จิตของคนอื่นเรื่องของตัวเองไม่ใช่เรื่องคนอื่นเพราะฉะนั้นต้องดูดูจิตเราตอนนี้จิตเรามันเป็นยังไงถ้าจิตของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเนีย่ยเทียบเคียงเลยลองเทียบเคียงกับศาสดาของเราพระพุทธเจ้าพระไทยของพระองค์ สงบเยือกเย็นสงบเยือกเย็นสะอาดบริสุทธิ์ไม่ไปเอาเรื่องข้างนอกเข้ามากุ่มลุ่มจิตตัวเองไม่ว่าเรื่องอะไรทางนั้นไม่เอาเข้ามาเรื่องข้างนอกก็วางเอาไว้ให้มันอยู่ข้างนอกพระละหันทั้งหลายซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตามรู้ตามพระพุทธเจ้าก็ต้องแบบเดียวกันจิตก็ต้องสงบ ไม่เอาเรื่องข้างนอกเข้ามากุ้มลุมตัวเองแล้วคิดไหมคิดคิดก็คิดให้จบาถ้าคนนั้นคนนี้ล่ะเราต้องเกี่ยวข้องกันล่ะเอาทุกคนก็มาตามกรรมไปตามกรรมเราก็ไปตามกรรมมาตามกรรมไปตามกรรมเหมือนกันเอาแล้วทําไมมันมาเกี่ยวข้องกันล่ะก็กรรมมันเคยร่วมกันมาพัวพันกันจากนั้นก็จากกันไปแล้วทาไมจะต้องเอากำรรของคนอื่น มาแบกไว้เอามากุ้มลุมจิตเอามาทับถมจิตตัวเองให้มันหนักก็วางจบไปถ้าจิตมันยอมรับเรื่องกรรมเชื่อว่าทุกคนน่ะมันก็ต้องมีกรรมเป็นของของตนจริงเราก็ต้องเคยทำกรรมมาจริงทั้งดีและก็ไม่ดีเมื่อทำกรรมแล้วผลของกรรมมันก็ผลักดันให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเมื่อมาเกิดเป็นคนกรรมดีก็ให้ผลไปในทางที่ดีกรรมไม่ดีก็ให้ผล เราก็ต้องเสวยผลแห่งกรรมที่ไม่ดีนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราทำมาเองอะแล้วคนนั้นคนนี้ล่ะที่มันเกี่ยวข้องกันที่เราเป็นทุกข์ล่ะก็เราไปเกี่ยวข้องกันมาเราก็เคยทำให้เขาเป็นทุกข์เขาก็ทาให้เราเป็นทุกข์บ้างและให้ทำยังไงก็ยอมรับซะแล้วก็วางซะแล้วมันวางไม่ได้ล่ะก็วางไม่ได้เพราะว่าเราไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้ า, าศาสดาของเราวางได้ปล่อยได้ทิ้งได้ รู้ว่ามาตามกรรมไปตามกรรมคิดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็วางเฉยสี่อุเบกขาใช่พระอรหันต์ก็เหมือนกันท่านก็วางอุเบกขาเหมือนกันบอกแล้วสอนแล้วทำไม่ได้เอาก็แล้วไปสิเพราะท่านมีหน้าที่บอกท่านมีหน้าที่สอนส่วนทำได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องเฉพาะคนคนนั้นไปจะไปแบกเรื่องคนอื่นไว้มันก็หนักมันก็ทุกข์ก็วางก็ไม่เอาเรื่องของคนอื่นมาแบกไว้ มันก็เฉยมันก็วางมันก็เป็นอุเบกขาเราก็มาอยู่กับจิตของเราทีนี้แล้วมีเรื่องอะไรอีกอ่ะเรื่องอะไรโผล่มามันก็ต้องทาความเข้าใจหมดอ่ะเอาอดีตโผล่มาอีกแล้วเอาอดีตมันก็ผ่านไปหมดแล้วเนี่ยเอาคืนไม่ได้แล้วก็รู้แล้วอะถ้าเราเคยมีกรรมร่วมกันมาเราเคยบันทอนเขาเขาก็บันทอนเราก็แค่นั้นอ่ะก็เราก็ยังไม่ตายเนี่ยมันก็ยังพออยู่ได้อยู่แล้วจะทุกข์ไปทาไม ก็ปล่อยก็วางก็ทิ้งไปเราก็ทํามาหากินไปถ้าเรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ปฏิบัติตามผู้เี่เราเลื่อยไปเพื่อไม่มีทุกข์ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อให้ชีวิตมันมีความสุขชีวิตจะมีความสุขก็คือไม่มีทุกข์ถ้าเราเข้าใจเราก็กลับเข้ามาอยู่กับตัวเองหาทางออกให้กับชีวิตของเราเองทํามาหากินก็ทําด้วยความเข้าใจ ก็เพราะเรายังมีชีวิตอยู่เรามาเกิดแล้วอะ่ะมันก็ต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองไม่มีใครหาให้เราก็หาเองทำการทำงานไปขณะเดียวกันก็ต้องตระหนักอยู่ในใจเราว่าถ้าเราทำงานอย่างเดียวเราไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเราก็มีทุกข์อะเรื่องไม่สมควรทุกข์เราก็เป็นทุกข์ได้ เรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ทุกข์แล้วพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่ทุกข์แล้วเราก็เอามาเป็นทุกข์ได้ง่ายๆแล้วเราเนี่ยจะยอมทุกข์ตลอดไปไหมถ้าอยากทุกข์ตลอดไปก็ไม่ว่า ก, กันเพิดเพลินสนุกสนานไปตามเรื่องลุ่มหลงไปตามเรื่องไม่มีใครว่าอะไรเพราะมันชีวิตของเราเองแต่ถ้าคนมีปัญญา ก็ต้องมาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้ว่าเกิดมาแล้วต้องการความสุขไม่ได้ต้องการความทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วต้องการความสุขแล้วทํายังไงชีวิตมันที่จะเป็นสุขอะก่อนเราดําเนินชีวิตมามันก็ยังมีทุกข์อยู่อะเคยไปสอนที่นครปฐมอมันก็สามีภรรยาคู่นึงเขาก็ดีนะเขาก็มาฟังธรรม ฟังทําเสร็จเขาก็มาสนทนาด้วยทั้งสามีพัญญาเขาก็บอกว่าเขานี่มีทุกทั้งทั้งที่เขาก็มีพร้อมทุกอย่างเขาว่าไม่สมควรจะเป็นทุกข์เลยบ้านก็มีรถยนต์ก็มีเงินทองเครื่องใช้ไม้สอยมีหมดอาหารการกินบริบูรณ์สมบูรณ์มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างโดยฐานะแล้วพวกผมไม่ควรจะทุกข์เลยครับทั้งสองคนนะ ก็ต้องบอกเขาบอกว่านี่มันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเราอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่มันสามารถนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์ได้เวลากระทบอารมณ์มันก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นจิตมันก็ไปจดจําเรื่องราวเอาไว้เสร็จแล้วมันก็เอาเรื่องราวเหล่านั้นมานึกคิดปรุงแต่งแล้วเรื่องราวทั้งหลายมันก็มาบีบคั้นจิตตัวเองจิตเราก็มีความทุกข์ขึ้นมา ทั้งๆ ท, ที่ไม่สมควรจะเป็นทุกข์แต่มันห้ามจิตไม่ได้ไม่รู้วิธีรักษาจิตไม่รู้วิธีอบรมสั่งสอนจิตจิตมันก็ต้องทุกข์เป็นธรรมดาแต่ถ้าคนไหนเขารู้ว่ามีชีวิตต้องทำการทำงานต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายก็เกี่ยวข้องไปแต่เกี่ยวข้องไปก็เอาเรื่องทั้งหลายที่มันมาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเอามาศึกษามาเรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจชีวิตเกิดความเข้าใจโลกว่าโลกวันดงเป็นแบบนี้แหละเกี่ยวข้องคนนั้นคนนี้เขาก็มีความเปลี่ยนแปลงไปของเขาเขามีกิเลสมีตัณหามีอุบทานมีความอยากมีความต้องการเขาก็ทําไปตามความรู้สึกนึกคิดของเขาแล้วเราก็อยากให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการเอามันก็ไม่ได้เพราะเขาต้องเป็นอย่างที่เขาเป็นเพราะธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเองสรุปแล้วก็เป็นเรื่องของเราที่เราไม่เข้าใจ เราไม่เข้าใจเรื่องของคนอื่นเราก็ไปแบกเรื่องของคนอื่นเอาไว้แบกคื อ, อยังไงก็คืออยากให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการพอเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเราก็มาปรุงมาแต่งทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยกลายว่าเป็นเรื่องของเราหาเรื่องทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ถ้าเราฉลาดเราก็ต้องศึกษาว่าอ๋อ โลกเรามันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนก็ไปตามกรรมเนี่ยมาตามกรรมไปตามกรรมใครมีเหตุปจัจจัยยังไงสร้างมายังไ ง, ง, ง, ไงก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเราก็เกี่ยวข้องแล้วก็มาดูว่าเราควรเกี่ยวข้องเขาอย่างไงเขาก็เป็นอย่างธรรมชาติของเขานั่นแหละเราเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เราก็มาเปลี่ยนจิตเราเรียนรู้ศึกษาให้เข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละแล้วเราควรเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไงมันจิงไม่มีความทุกข์ ไม่มีปัญหาไม่มีความเดือดร้อนเราก็สบายเพราะเราเรียนรู้เราเข้าใจเนี่ยธรรมะนี้มันเป็นเรื่องของเนี่ยชีวิตเรานี่แหละแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับโลกเข้าใจชีวิตตัวเองด้วยเข้าใจธรรมชาติของโลกด้วยแล้วมันก็จะปล่อยวางปล่อยวางได้ก็มันก็ไม่ทุกระดับหนึ่งถ้ามันหมดตัวหมดตนแล้วมันหมดทุก สิ้นเชิงจบจบเรื่องชีวิตเลยเพราะฉะนั้นมันจึงมีอดีตมันก็ไปเอามาบางทีไปเกี่ยวข้องกับใครต่อใครมันก็เก็บเอาไว้แล้วก็นนานนานทีมันก็โผล่ขึ้นมาสัญญามันดึงมามันก็มอคิดคิดแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาตัวเองก็ทุกข์แล้วทุกข์อีกมันก็เลยเหมือนซ้ำเติมตัวเองตอกย้าซ้ำเติมแล้วก็ทุกข์แล้วทุกข์อีกถ้าหากว่าเราเข้าใจ ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของลูกเสี่ยวเราจะศึกษาเอาทุกเรื่องมาศึกษาว่าเออธรรมชาติมันเป็นอย่างเงี้ยชีวิตมันเป็นอย่างเงี้ยเอามันจะทุกข์บ้างก็ไม่เป็นไรอะ่ะแต่ว่ามันคุ้มค่ามันได้บทเรียนมันได้ศึกษามันได้เรียนรู้มันเกิดความรู้ความเข้าใจต่อไปความทุกข์จะต้องน้อยลงเพราะเราเกี่ยวข้องอย่างมีสติตั้งวางท่าทีในจิตว่าจะต้องศึกษาเอาเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรา มาเป็นบทเรียนแทนที่จะเอามาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ก็เอามาเป็นบทเรียนเอามาสอนตัวเองสอนตัวเองได้มันก็เป็นธรรมะขึ้นมาจิตเรารู้เข้าใจมันก็ปล่อยวางเรื่องข้างนอกได้เพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรก็แค่ได้ศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจจะเกี่ยวข้องกับสามีเกี่ยวข้องกับภรรยาเกี่ยวข้องกับลูกเกี่ยวข้องกับครอบครัว เกี่ยวข้องคนนั้นคนนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหลายศึกษาหมดศึกษาแล้วก็ปล่อยด้วยวางด้วยสมควรทำยังไงก็ทำไปทำแล้วก็แล้วไปทำแล้วแล้วไปทีนี้มันไม่แล้วทีนี้เพราะว่าสติเรามันอ่อนจิตเรามันมีอุปาทานมันก็เที่ยวยึดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอามาเพราะมันมีตัวมีตนมีอัตตา จริงๆมันไม่มีตัวตนแต่ว่าความหลงอยู่ในจิตเราเมื่อมีตัวตนมันก็สร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมามีเราก็มีของเราเขาทำเราเนี่ยมีเขามีเรามีฝ่ายเรามีฝ่ายเขามันก็กระทบกันพอกระทบกันมันก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นที่จิตใจใจมันก็ก่อทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาอีก ให้เห็นว่ามันผ่านมาแล้วต้องผ่านไปเกิดแล้วต้องดับไปต้องไม่ให้มันมีทุกข์ถ้ามันทุกข์ก็เอาความทุกข์นั้นมาศึกษาอีกแม้ความทุกข์เกิดแล้วก็ดับความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปด้วยแต่ต้องมีสติสติรักษาจิตเอาไว้ได้จิตเป็นสมาธิถ้าจิตไม่เป็นสมาธิมันไม่ตั้งมัน่นจิตไม่อยู่กับตัวเองมันไหลออกไปจิตเองเอ่ะไปปรุงเองคิดเอง หาเรื่องเองจิตก็เลยทุกเองเพราะนั้นต้องเอาจิตกลับเข้ามาเนี่ยกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองก่อนพอจิตมาอยู่กับตัวเองแล้วสติคุมจิตได้จิตก็เป็นกลางจิตก็ไม่ยินดีไม่ยินรลนีเรียกว่าจิตเป็นสมาธิอะไรเกิดขึ้นถ้าจิตมันมีกำลังพอมันก็ดูเฉยเฉยได้ดูเฉยเฉยได้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันก็ตามดู ปรากฏการทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นจิตก็มีหน้าที่ดูรู้เห็นว่ามันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปการที่จิตมันจะเห็นจะรู้ถึงปรากฏการทั้งหลายได้สติก็ต้องมีกำลังเมื่อมีกำลังแล้วก็ต้องคุมจิตเอาไว้ได้คุมจิตเอาไว้ได้แล้วจิตก็ต้องตั้งมันเป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อเป็นสมาธิเป็นกลางแล้ว อารมณ์เกิดขึ้นมันไม่ไหลไปกับอารมณ์ทั้งหลายมันไม่ถลําไปไม่ไหลไปไม่เพลินไปไม่เล็ดลอดออกไปจิตแล้วก็ไม่ยินดีไม่เหยียร้ายได้จิตก็เป็นกลางเรียกว่าทางสายกลางจากนั้นอะไรผ่านมามันจะมองเห็นคือมันรู้สึกได้ว่าเออเกิดแล้วก็ดับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าปัญญาาณมันก็เกิดขึ้นพอมันเกิดพับต้องรู้ทันทีว่ามันต้องดับไป ถ้ามันยังไม่ดับก็รู้ว่าต่อไปมันต้องดับทุกมันก็น้อยลงไปแล้วเนี่ยมันยังอยู่เรื่องราวมันยังอยู่แต่ก็รู้ว่าต่อไปมันต้องดับก็อดทนดูไปก่อนดูไปดูไปเดี๋ยวก็ดับจริงๆพอเห็นมันดับไปมันก็เบาถ้าเรื่องเก่าเก่าย้อนมาอีกมันรู้แล้วนี่ว่ามาแล้วต้องดับมันยังไม่ดับก็รู้ว่าเดี๋ยวต้องดับมันก็จะค่อยๆดับลงดับลงดับลงไปความทุกข์ก็น้อยลงสั้นลงสั้นลงสั้นลง จนกระทั่งเรื่องนี้มันหมดปัญหาไปจากจิตเราหรือจิตเราไหวตัวนิดหน่อยจะไปคิดนึกปรุงแต่งเรื่องนี้ทำให้เป็นทุกข์มันรู้ทันหมดมันก็ปล่อยวางได้ความทุกข์ก็ค่อยดับไปทีละเรื่องทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นสติจึงต้องสำคัญจึงต้องมีการเพียรปฏิบัติเอาต่อไปนี้ก็จะให้ดูตัวเองละ เมื่อตอนกลางวันนีมีคำถามเรื่องเวทนาเพราะนั้นต่อไปนี้ให้นั่งไม่ขยับนอกจากใจจะขาดจริงๆค่อยเปลี่ยนเพราะถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวใจขาดแล้วก็เออวางหลักไว้ว่าเออถ้าจะลองดูคือลองศึกษาดูถ้ามันไม่มีเวทนาล่ะมันก็มีกายมีจิตมีธรรมก็ดูอย่างอื่นได้แต่เวทนาเนี่ยมันเป็นเครื่องทดสอบมันสร้างกาลังให้แก่จิตเราได้ บางคนจิตไม่มีกำลังพอจิตไม่มีกำลังนี่มันก็เลยเห็นอะไรก็ไม่ค่อยชัดจิตไม่มีกำลังนี่พอมีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยจิตมันปล่อยวางไม่ได้อารมณ์ไม่ขาดไปจากจิตเพราะนั้นทางรัดสั้นก็คือลองไม่ขยับเลยแล้วก็ลองอดทนดูไปเพราะว่า พระพุทธเจ้ารับรองเอาไว้ว่าในสติประฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมเวทนาชัดเจนที่สุดแล้วคนที่ติดสมาธิถามเรื่องว่าเออมันเข้าไปเข้าสมาธิมันไม่ออกมานี่แหละอาศัยเวทนาเนี่ยพอมันเจ็บแล้วจิตมันจะออกมาดูมันออกมาดูก็คือมันขยับมาแล้วมันออกมาแล้วมันมาดูเวทนาแล้วจิตมันก็จะไม่จม ไม่ติดอยู่ในภวังของสมาธินอกจากว่ามันมีวิบากมีกรรมพอมีกรรมปุ๊บมันก็จะมีอะไรต่ออะไรมาบีบมันมีนกลไกของมันบีบระบบประสาทสมองควบคุมสามารถควบคุมความรู้สึกควบคุมจิตของเราให้อยู่ข้างในได้นอกจากเราฝึกฝึกให้จิตออกมาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ พอสติสัมปชัญญะเราแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นมันก็ดูได้อะไรเกิดขึ้นก็ดูได้หรือเรารู้วิธีที่จะแก้ไขจิตเราได้ไม่ให้จิตเราจมถึงอยู่ข้างในก็ให้จิตทำงานได้จิตขยับตัวได้จิตเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวคือทำงานได้เช่นจิตมันนิ่งอยู่เฉยๆก็อุทิศบุญก็ได้แผ่เมตตาก็ได้ ท่องมนท่องพรอะไรได้เดียวมันก็ออกมาได้แต่มันต้องเตรียมพร้อมไปก่อนเพราะว่าบางทีพอมันเข้าพวังเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมจิตแล้วได้บังคับจิตให้ทำนู่นทำนี่ไม่ได้เพราะว่ามันตัวที่มันครอบงำจิตมันมีกำลังมากกว่าเราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้สอนตัวเองเอาไว้ ว่าถ้าจิตเราเป็นอย่างนี้เข้าไปอย่างนี้เราควรทำยังไงตัวเองต้องรู้จักแก้ไขตัวเองด้วยเพราะเวลาปฏิบัติเราปฏิบัติ ด, ด้วยตัวของเราเองเราะนั้นช่วงนี้ก็จะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ทุ่มครึ่งพอสองทุ่มครึ่งเราก็จะหยุดถ้าใครอยากลองสู้ก็ลองดูแต่ถ้าใครมันไม่ไหวจริงๆก็ลองขยับแล้วดูกันใหม่ ที่มันมีความทุกข์มีปัญหามีเรื่องราวในจิตก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าจิตเราอ่อนแอด้วยจิตเราไม่มีกําลังเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกจิตเราให้มีกําลังส่วนคนที่มีกําลังอยู่แล้วดูกายเวทนาจิตทำได้ชัดเจนอยู่แล้วก็ดูลงไปมันพอดียังไงดูเลยวันนี้มีโยมคนหนึ่งเขาก็มาเล่าสภาวะธรรมให้ฟังบอกจิตว่างมีแต่ความว่าง อะไรอะไรก็เข้าใจหมดทำความเข้าใจแล้วก็ว่างก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปสงสัยว่าเอะมันหมดแค่นี้เหรอปฏิวัติธรรมหมดแค่นี้หรื อ, อยังไงเพราะอะไรก็ว่างหมดไม่เข้าใจก็ทำความเข้าใจแล้วก็ว่างเหมือนไม่มีอะไรมีแต่ความว่างไม่มีตัวไม่มีตนว่าง ก็เลยบอกเขาบอกว่าเนี่ยจิ ต, ตมันยังไม่สามารถคลายออกจากตัวเองได้ตัวจิตนะมันยังเที่ยวดูนู่นดูนี่ <Hey. S 1> ยังสงสัยอยู่ว่า น, นิพานมันเป็นยังไงมันใช่ตรงนี้ไหมเนี่ยถ้าสงสัยแล้วมันก็ไม่ใช่ละเพราะถ้ามันหลุดพ้นจริงมันต้องไม่สงสัยอะไรตัวจิตเองเน่ะมันว่างมันไม่มีมีเหมือนไม่มี ก็เลยบอกว่าเนี่ยยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติควรทํยใหญงเขาว่าจ่อเข้าไปหาจิตเลยจ่อเข้าไปเลยมันจะลึกซึ้งขนาดไหนไม่ต้องกลัวแต่มันต้องชัดทั้งจิตชัดทั้งกายทั้งเวทนาทุกอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมหมดมันถึงจะใช่นี่เราว่าดูจิตดูจิตขั้นสุดท้ายแต่มันขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของเขา คือจิตนี่มันเที่ยวไปดูแต่อย่างอื่นแม่ว่างมันก็ไปดูแต่ความว่างแต่มันไม่เห็นตัวมันเองคือตัวมันยังไม่ว่างจริงเอาเตรียมตัวนะสังเกตดูนะว่าตอนนี้จิตเรากําลังดูอะไรอยู่ให้สังเกตว่าตอนนี้จิตของเรากำลังดูอะไรอยู่ ดูกายดูเวทนาดูจิตหรือว่าดูธรรมดูแล้วเป็นยังไงดูแล้วเป็นยังไงจิตเราไปสัมผัส ด, ดูไปจอดูแล้วจิตอยู่ยังไงจิตดูเนี่ยดูแบบปล่อยดูแบบวางหรือว่าดูแบบมีตัวมีตนอย่าเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเพื่อละตัวตนผลเรจเริญสติ จเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเพื่อปล่อยวางคือไม่เอาอะไรไม่ยึดอะไรเวทนาก็สักว่าเวทนามันก็อยู่ที่ร่างกายไม่ใช่จิตจิตแค่ดูแค่ดูแค่รู้แค่เห็นถ้ามันดูรู้เห็นเวทนาไม่ใช่จิตจิตก็อยู่ของมันไปเวทนาก็อยู่ของมันไปมันก็แยกจิตออกจากเวทนาได้แต่ถ้ากําลังจิตไม่พอ เวทนามันแรงขึ้นมันก็จะดึงดูดจิตเข้าไปคุกกับเวทนาอันนี้เราจำเป็นจะต้องอดทนเพื่อสร้างสติให้มีกำลังสร้างสมาธิให้มีกำลังสร้างวิริยะให้มีกาลังสร้างปัญญาให้มีกำลังสอนจิตไปด้วยอบรมจิตไปด้วยว่าหนีเวทนาเห็นไมมันอยู่ของมันนะไม่ใช่จิตนะ นี่ปัญญามันจะค่อยซึมเข้าไปในจิตแทรกเข้าไปในจิตพร้อมกับสติก็เข้าไปประกอบอยู่ในจิตสมาธิเข้าไปประกอบในจิตวิริยะเข้าไปประกอบในจิตศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนของมูติจา ก, ก็เข้าไปอยู่ในจิตจิตก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นที่แรกก็กํำลังก็ยังค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึนนี่เขาเรียกว่าอินทรีห้ามีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญา อินทรีย์เริ่มแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นสติก็มีกําลังสมาธิก็มีกําลังปัญญาก็มีกําลังศรัทธามีกําลังความเพียรมีกําลังกลายเป็นพละหา้าเป็นพลังของจิตจิตก็มีกําลังจิตก็จะถอยออกมาเหมือนกับถอยกลับคืนมาหาจิตมันก็เลยเหมือนกับมันถอยออกมาจากเวทนาเวทนาก็เลยเหมือนกับเบาลงไปแต่จริงๆบางทีเวทนาก็เท่าเดิมนั่นแหละ แต่ว่าจิตเรามีกำลังพอจิตมีกำลังมันก็เลยมองเห็นเวทนาว่ามันมันอยู่ข้างมันมันก็เบาพอจิตเราไม่ไปยึดเวทนาจิตก็หดตัวกลับคืนมาถ้ามันกลับเข้ามามาอยู่กับจิตมีแสดงว่าปล่อยวางเวทนาได้ถ้าใครเริ่มปล่อยวางเวทนาได้มันก็เห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีปัญญามันก็เกิดขึ้น แค่เห็นแค่นี้ก็พบชาติเนี่ยโอ้มันขาดไปตั้งเยอะนะเบาลงไปถ้าเห็นเด็ดขาดลงไปชนิดที่แจมแจ้งชัดเจนมันทะลุถึงธรรมชาติเลยว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอะ่ะมันเกิดแล้วต้องดับไปมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราบังคับบัญชามันไม่ได้มันจะกลายเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งอยู่ในจิตแล้วจิตเนี่ยมันจะอาจหารมาก อารมณ์ที่เคยทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันจะลดลงไปทันทีคนอื่นเป็นทุกข์บางทีเราไม่ทุกข์ก็ได้ถ้าจิตมีกําลังแล้วคนที่อ่อนแออะไรเกิดขึ้นก็ทําให้เป็นทุกข์ไปหมดแต่ถ้าจิตมันมีกําลังมันมีความแข็งแกร่งมันปล่อยวางความทุกข์ได้ความทุกข์ไม่สามารถสอดแทรกเข้าไปถึงจิตได้เป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนไปมีแสดงว่าการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ย มันเห็นผลจะเห็นผลได้ก็ต้องมีความเพียรพยายามอดทนถ้าเข้าใจเรื่องดูเวทนาได้ก็เข้าใจเรื่องดูกายได้ก็ดูกายเพื่อปล่อยวางกายเหมือนกันดูเวทนาเพื่อปล่อยวางเวทนาดูจิตก็เพื่อปล่อยวางจิตดูธรมรมก็ไม่ยึดธรรมสักแต่ว่าธรรมสักแต่ว่าดูรู้เห็นเราก็อยู่กับจิตของเราจิตก็ดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยไปปล่อยวางไป ถ้ามันวางกายวางเวทนาวางอารมณ์ข้างนอกได้มันจะเหลือจิตทีแรกจิตนะ่ยมันเที่ยวไปดูอย่างอื่นมองดูแต่อย่างอื่นแต่ว่าไม่ได้ดูตัวเองแต่พอมันไม่รู้จะดูอะไรแล้วมันก็จะต้องมาสังเกตดูตัวเองตัวที่ดูว่าอะไรที่มันคอยดูอยู่อะไรที่มันคอยสอดใส่ยอยู่อะไรที่มันยังดิ้นล้นอยู่อะไรที่มันยังพูดอยู่ อะไรที่มันยังนึกยังคิดยังปรุงยังแต่งอยู่เนี่ยมันก็จะทวนกลับมาดูจิตอนนี้พูดไปถึงภูมิจิตของคนแต่ละคนมันไม่เท่ากันก็พูดให้มันทั่วถึงเท่านั้นเองส่วนเรามันพอดีอยังไงก็ดูไปถ้าจิตมันวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็จะมาอยู่กับจิตแต่มันจะยังไม่ไปถึงจิตนีมันก็ยังอยู่ไปเห็นความว่างว่าจิตสบายนี่ยังเป็นอาการของจิต จิตว่างจิตเป็นอุเบกขาก็ยังเป็นอาการของจิตเป็นเวทนาทางจิตมันยังไม่ได้เห ต, ตุตัวจิตจริงๆตัวจิตจริงๆนั้นเป็นจิตที่อยู่ในผวังเป็นตัวจิตที่นิ่งที่อยู่เฉยๆอยู่ลึกๆอยู่อย่างอิสระของมันเป็นภาวะที่จิตมันมันวางทุกสิ่งทุกอย่างละมันเหมือนมันมันอยู่เฉย เหมือนมันยังไม่เอาอะไรก็เป็นจิตที่อยู่ในระดับหนึ่งจนกระทั่งมันถอนอุปทานจากความยึดมั่นถือมั่นในจิตแล้วมันก็จะดับดับความเป็นตัวตนลงไปอันนี้พูดรัดสั้นเข้าไปหมายว่าสุดท้ายมันก็คือไม่มีจิตนั่นแหละถ้าจะเทียบเคียงก็คือเราพูด มาตรฐานของผู้ที่ไม่มีกิเลสแล้วที่มันจบงานหมดการหมดงานแล้วก็เพื่อเอามาเทียบเคียงเฉยๆว่าผู้ที่หมดงานหมดการแล้วคือไม่ยึดอะไรเลยไม่ติดไม่ค้องอะไรเลยแม้กระทั่งจิตไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราแต่ยังมีอยู่เหมือนกับกายก็ยังมีอยู่จิตก็เหมือนยังมีอยู่แต่ไม่ได้สาคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตน มันจะมองทวนเข้ามาดูตัวเองมันก็เลยไม่มีอะไรเป็นอะไรอะจริงว่าจบอย่างแท้จริงคือไม่มีอะไรเป็นอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นเองมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองเอาเราก็มาดูเราตอนนี้มันอยู่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะหยุดละดูเป็นโอกาสสุดท้ายเลย ท้าส sind, yal, kan, ุดท้ายจริงๆก็คือบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการทําความรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเพราะว่าพระเจ้าตรัสรู้ก็คือตรัสรู้ตรงนี้เพราะยิ่งบูชาสูงสุดก็คือทําความรู้สึกตรงนี้เลยรัดสั้นเลยกายก็ให้มันอยู่ของมันไปเวทถีนาให้มันอยู่ของมันไปจิตก็เป็นธรรมชาติของมันไปทําอยู่ยังไงก็อยู่ของมันไปวางหมดเลยสักแต่ว่าดูเลยสักแต่ว่าดู ทำได้มากได น, น้อยก็ไม่เป็นไรอะ่ะเราบูชาพระพุทธเจ้าให้มันเป็นเนื้อหาอันเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนั่นคือปล่อยวางอัตตาเป็นอนัตตาเป็นสุญญาตาเป็นความว่างเป็นความไม่มีอะไรเป็นอะไรทุกสรรพสิ่งก็เลยอยู่ไปตามธรรมชาติ ทำว่าไม่มีอะไรเป็นอะไรก็คือจิตเราไม่ไปสำคัญมั่นหมายอะไรวางให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองสุดท้ายมาวางที่จิตบางคนก็สงสัยว่าเอาวางแล้วไม่ทำอะไรเลยเหรอมนเหมือนจะไม่กินข้าวเลยอะ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นวางที่จิตแต่ภายนอกควรทำยังไงยังต้องทำได้อยู่ ธาตุขันยังหลงเหลืออยู่ก็ต้องยังต้องรับประทานอาหารถ้ายังอยู่ในคารวาดวิสัยก็ต้องยังทำการทำงานไปแต่ว่าภายในจิตม่ยึดในสมัยพระพุทธเจ้าก็มีทำงานเลี้ยงครอบครัวก็ยังได้เลยแต่ว่าจิตม่ยึดไม่ติดไม่ค้องอะไร สมัยนี้ก็เหมือนกันก็ยังมีเหมือนกันอยู่ในฐานะที่เหมาะสมแต่ว่าจิตมันจะไม่ไปคุก ค, คีกับอะไรเวลาทําอะไรมันก็จะมุ่งต่อการต่องาน ต, ต่อกิจกรรมที่ทํานั้นจดจ่ออยู่อย่างนั้นจบแล้วก็แล้วเลยจบแล้วแล้วไปเลยไม่เอามาเป็นกังวลอะไรอีกต่อไปสมควรทําก็ทํา เวลาคิดก็คิดด้วยจิตใจที่มันว่างเปล่าเพราะมันจึงคิดแบบมีสติคิดแบบต่อเนื่องคิดจบไม่ได้คิดเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนั้นผุดมาเรื่องนี้โผลมาวิ่งไปวิ่งมาไม่เป็นแบบนั้นคิดก็มีสมาธิในการคิดคิดจบแล้วก็จบมีคำตอบแล้วก็จบถ้ายังไม่มีคำตอบขาดอะไรข้อมูลตรงไหนก็ไปหาเพิ่มเติมแล้วก็ทาความเข้าใจใหม่เนี่ยช้ า, ชาจิต ที่มันว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ได้เอาดูสุดท้ายแล้วทีนี้วางจริงๆเลยไม่เอาอะไรทั้งนั้นไม่เอาอะไรเราขอเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าใกล้เคียงกับพระทัยของพระเจ้าให้มากที่สุดก็คือปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอยู่ตามธรรมชาติของมันจากนั้นก็ทําจิตสบายสบายผ่อนคลายได้ คลายแล้วก็คราวนี้ก็ขออโหสิกรรมแล้วก็ตรวจดูด้วยว่ายังมีเรื่องค้างคาอยู่ในจิตเราไหมมันมีเรื่องอะไรมันยังค้างคาอยู่ก็อโอโหสิต่อไปอโอโหสิในเรื่องนั้นออกไปมันจะได้จบมันจะได้หมดจะได้สิ้นไปแผ่เมตตาจิตเพื่อย้ำให้รู้ว่ามันหมดจดมันไม่มีอะไรทําให้จิตเรามันแข็งมันกระด้าง มันทื่อมันอ่อนโยนเนี่ยทำโดยจิตที่อ่อนโยนทำให้จิตเรานุ่มนวลทำให้จิตเราสบายเยือกเย็นแล้วจิตของเรามันจะค่อยๆเป็นจิตใจที่ดีงามมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นก็ตั้งปณิธานเพื่อพ้นทุกข์ตามพระพุทธเจ้าไปย้าลงไปให้มันฝังลึกเข้าไปในจิตใจของเราแล้วก็ตั้งใจอุทิศบุญ ขยายบุญเราออกไปเรามาครั้งนี้เนี่ยเราทำบุญเต็มที่ทั้งทานรักษาศีลสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นภาวนาแผ่เมตตาอุทิศบุญขอโหสิกรรมลองเดินจงกรมนั่งสมาธิทำอะไรก็ซ้ำรวมระวังไปหมดเนี่ยมันบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนื้อนาบุญของเราก็พร้อม จิตใจของเราก็มีความตั้งอกตั้งใจทำเต็มที่เต็มกำลังสติปัญญาความสามารถนี่จริงหว่าบริบูรณ์สมบูรณ์เราจรึงให้บุญได้มากกว้างขวางออกไปการให้บุญก็เป็นการใช้จิตอย่างหนึ่งคนที่ชอบติดในสมาธินี่เนี่ยใช้จิตเนี่ยอุทิบุญได้ใช้จิตแผ่เมตตาได้ใช้จิตทำงานได้จิตมันจะตื่นอยู่ภายใน มันก็จะเป็นจิตที่มีกำลังเป็นจิตที่มีกำลังมีความตั้งมั่นเป็นจิตที่ควรแก่การงานมันจะสงบอยู่เฉยๆสงบแล้วก็สามารถขยายความรู้สึกออกไปได้เอาวันนี้พอแค่นี้นะ